เรากําลังศึกษาเรากําลังปฏิบัติก็ให้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราทําเพื่อจะสะดวกในการปฏิบัติแต่ต้องสุ่มหาจะต้องลังเลสงสัยตัวปฏิบัติทำนี่มันเข้าถึงเนื้อถึงตัวทําด้วยกายทําด้วยใจของเราเช่นเราเจริญสติเนี่ย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 ถ้าลึกลับมันมันข้างถึงตำบันจะต้องกลัวโน่นกลัวนี่คิดไปต่างๆนานากลัวพ้าล้องกลัว อ, อ, อะไรต่างมากมายความจริงแล้วมันเกิอดอยู่ที่ตัวเราจะดีจะชัว่วจะผิดจะถูกจะสุขจะทุกข์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 มันลึกซึ่งเมื่อวันหลงเราก็รู้สึกตัวซะมันลึกซึ่งแบบนี้เมื่อวันทุกเราก็รู้สึกตัวซะมันก็ลึกซึ่งแบบนี้เมื่อวันไม่รู้เราก็สร้างความรู้สึกตัวผมก็ทาได้อย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้ให้ผลได้อย่างนี้ในตัวปฏิบัติแล้วก็ ต่อเป็นปรมาทก็จิเตเจตสิกลูกนิพพานก็คือเนี่ยเราจิตก็คือจิตเนี่ยมีสติเห็นจิตเนี่ยเจตสิกก็คือมันคิดตันไปหลงไปไหลกับอะไรเราก็มีสติเห็นมันเนี่ยลูกก็คือลูกที่มันนั่งอยู่นี่ที่มีสัญญาณในกิตใจ มันเป็นอะไรไปก็ได้มันร้อนมันหนาวพราะมันปวดมันเมื่อยมันผิดมันโตกเนี่ยเราก็โลกคำมันอยู่เนี่ยจับเมื่อยจับตัวมันอยู่เนี่ยเห็นมันอยู่เนี่ยเมื่อมันแสดงออกนิพพานก็คือเราก็หยุดจนได้เนี่ยมันร้อนเราก็เย็นได้มันทุกข์เราก็เปลี่ยนไม่ทุกข์ได้มันดับได้ ดับมันได้หยุดมันได้เพราะนันเรามีเครื่องช่ยไม่สอยเราเดินเราก็หยุดการเดินเรานั่งเราก็ลุกได้มันเราขับรถมันวิ่งไปเราก็หยุดมันได้เรากลับมันได้ไปข้างหน้าคืนข้างหลังได้มันจึงใช้ได้ ชีวิตเราผก็ต้องใช่ได้แบบนี้เรียกว่านิพพานแต่ถ้าไม่มีนิพพานมันจะไปจุดลงตรงไหนไม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นมันก็ต้องมีการลงตัวที่มันใช่ได้ <c oughs> แต่เป็นอย่างไฟเนี่ยนม่มันจะล่ายไหม้บ้านไหม้เมือมันก็ต้องดับได้ คิดเจตสิกรูปนี้ผ่านเรารูปคำอยู่ที่เป็นปรมัติไม่ใช่ในยายนอกจากเนื้อจากตัวเราไปอันนั้นเป็นสมมติไม่ใช่ปรมัติปรมัติิตคือต้องทำได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นได้ ให้เกิดการเห็นได้มันจึงจะชัดเจนแม่นยำไปเห็นกับตาไปทำกับมือมาแล้วมันจึงจะเป็นตัวปฏิบัติมันจึงจะเป็นตัวศาสนาศาสนาไม่ใช่เพิ่มขวัญไม่ใช่คำนวณมันตักกะหรืออะไร คิ ด, คดอ่า น, นคำนึงคำนวนคงจะเป็นอย่างนั่นคงจะเป็นอย่างนี้อันไม่ใช่ตัวปฏิบัติมันก็ต้องถึงเนื่อถึงตัวบ้างมันยังจะมั่นใจอ้ได้จับดูบางสัมผัสดูบ้างเราเจริญสติเนี่ยสัมผัสกับสติดู เรากายไปสัมผัสดูไปรู้สึกตัวันรูจสึกตัวกับกายมันจะเป็นอย่างไงมันเห็นแล้วมันรู้แล้วนะแต่มันจะเห็นอันอื่นอีกที่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวข้องกับมันอย่างไรมันมีอันถูกทั้งหมดสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยไม่ใช่มันมีผิดอย่างเดียวมันก็มีถูก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 แม้เราปฏิบัติอยู่ยังไม่ทำได้มันก็ยังทำไม่ได้มันก็ยังจะทํทำได้อยู่เหมือนพระพุทธเจ้าสิท ธ, ธัตถะเห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บ เ, เ, เห็นคนตายเห็นสวรรค์จะต้องมาช่วยไม่ให้คนไม่ไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บ ไ, ไ, ไ, ไม่ให้ตายครั้งครั้งที่ยัง ไม่รู้ว่าจะทำไหนก็ยังคิดว่าจะทําได้อยู่ถ้าพูดถึงความคิดนะในที่สุดก็ทําได้จริงจริงในอะไรที่มาของกันเยอะแยะก็ต้องมองแบบทะลุทะลวงไม่มันเกิดกับเราผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมกาลังปฏิบัติธรรมอยู่พอเรามันหลงไปเราก็ต้องพยายามทําให้ได้มาให้มันหลงเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้ ก็มีกำลังตรงนี้บ้างมีความเพียรตรงนี้บ้างมันจึงจะเป็นการปฏิบัติไม่ใช่ปล่อยตามปล่อยหลงก็หลงไปมันสุขก็สุขไปมันทุกข์ก็ทุกข์ไปความสุขความทุกข์ใช่เราจนสิ้นเปลือง แล้วก็มันก็ไม่มีอะไรเปลืองไปเปล่าเปาเืองไปกับความสุขเปลืองไปกับความทุกข์เปืองไปกับความโลภ ค, ค, ค, ความโกรธ ค, ความหลงชีวิตหลอนเราก็ต้อง <c oughs> ไม่พุ่มเฟ้ยแบบนั้นว่ามามรู้สึกตัวนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่รับใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง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 มันจะสุขความสุขมาเอาไปหรือมันจะทุกข์ความทุกข์มาเอาไปหรือมันจะโกรธจะโลภจะหลงความโลภความโกรธความหลงมาเอาไปหรือจะต้องรับใช้มันอย่างนั้นหรือมันก็ไม่ใช่มันเสียหายรู้จักตัวไว้เนี่ยมันเป็นการสำรวมถ้าเป็นปารติโม ก, ก็สำรวมถ้าเป็นสินก็ทำได้แล้วปกติอยู่ ถ้าเป็นสมาธิก็มั่คมนคงไม่งอแ น, น่นคอนแคลนไม่ไหวไม่ไปไม่ปิวอยู่คงเส้คนคงวาอยู่ตรงนี้รู้จักตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยอ้าวสัมผัสกับสินลู้คำสินสมาธิด้วยปัญญาด้วยเห็นมันสุขเห็นมันทุกไม่ปัญญาไม่ได้เข้าไปอยู่ในความสุขไม่ได้เข้าไปอยู่ในความทุกข์เน่มองอะไรมัน แตกฉานบ้างแต่มองแบบมืดแตดด้านมองแบบหมดพลังนักปฏิบัติก็ต้องมีพลังส่วนนี้บ้างทำไรลองไปอ่อนแอไม่ใช่ความรู้สึกตัวเลยพาให้เราเข้มแข็งมันมีหลักอยู่ ม่สูตรอยู่มีสิ่งที่ทําได้อยู่มีผู้ทําได้แล้วก็มีเจอาแยะสี่ห้าพันปีมาแล้วผู้ที่ทําได้เรื่องนี้เราจะต้องเอาอย่างบรรพกหลุดของเราผู้ที่ทํามาแม้แต่ใกล้ๆเราก็ยังมีอยู่ในเราก็ยังมีไม่ใช่คนอื่น เกี่ยวกับตัวเราเนี้ยก็มีเข้าข้างทางนี้เอาไว้ให้มีกำลังกำลังความเพียรกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเสริมไว้เสริมไว้ให้แนวร่วมอย่าไปให้แนวร่วมมันเตินยื่นดาบให้ศัตรููคอาลิ ความโรคความโก ร, ร, โรคธความรงกิเลสตัณหามันก็แบ่งปันชีวิตเราไปชีวิตที่ถูกแบ่ง <c oughs> ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เท่าไห่เท่าไหร่แล้วสี่สิบสามสิบปีหาสิบปีหกสิบปีมันเคยออะไรลองมา ใช้ชีวิตส่วนนี่ลองดูลู่สึกตัวดูลู่สึกตัวการลู่สึกตัวมันก่อกู้มันคืนมันให้คืนธรรมชาติมันก็เคืนป่าให้แผ่นดินมันคืนมันกลับมาปฏิบัติคือมันกลับมามันไม่ไปไหนมันกลับมาพอลู่สึกตัวมาลู่สึกตัวนะ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 แล้วก็มาสร้างให้มันมากขึ้นให้เกิดสัมปยุทธ์ขึ้นมาแน่วแน่ไม่ถอยหลังตัวปฏิบัติมันได้เนี่ยมันทามันทาแล้วมันได้สัมผัส ด, ดูอย่างนี้ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวไหเห็นกายไม่ใช่ความรู้สึกตัวกงมงมสาวสาวไป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 แมันก็เห็นทุกอย่างของชีวิตเราเป็นสุขอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรจนจบเรียนจบตรงนี้ได้ทันทีนั่งอยู่ใต้ต้นโพเรียนจบแล้วชาติสิ้นแล้วภพ ม, มจันยู่จบแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำไม่มีอีกแล้วเอาเขาคนลู่เนี่ไปสอนดูมีคนลู่ตามเือว่าสัมมาสัมพุทธโธ ปฏิบัติได้ให้ผลได้ทรงส่งสอนสาวกทั้งหลายเช็นนี่เป็นส่วนมากสาวกทั้งหลายก็โล่เรื่องนี่เป็นส่วนมากโู่แล้วเป็นยังไงโู่แล้วจบกันทุกอย่างหมดพิษหมดภัยชีวิตลงตัวอเคยหลงก็เคยไม่ไม่หลงทุกข์ก็ไม่ทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้าะมันก็จบตรงนี้ จบตรงที่กายอันควงศอกยาวหวานาคือมีสติสมชัญญาเห็นกายเห็นอะไรต่างๆแม่จะเป็นกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดผ่านตรงในหมดผ่านสายตาแห่งความรู้สึกตัวจนได้ตอบว่ารู้แล้วรู้แล้วความทุกข์ก็รู้แล้ว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 ใน <c oughs> ตัวปฏิบัติพรมไว้จันติโมกรู้สึกตัวถ้ามีสติลองดูมันก็สํารวมในปาติโมกคนมีสติแล้วก็เป็นศีนแลแหละคนมีสติก็เป็นสมาธิแล้วเป็นปัญญาอยู่ในตัวเสร็จคนมีสติมัน มันมาเป็นพวงพวงแเป็นการสำรวมมาในพระบาทิโมกมัเขาก็ไม่ต้องไปท่องไปอยู่ในโบสถ์ไม่ใช่เป็นกิริยาคนมวสติกไม่ใช่กิริยาถ้าเป็นกิริยาก็เป็นกิริยาเฉยๆไม่เป็นกรรมอาจจะเดินไป จ, จะเหยียบมดเหยียบ สัตว์ว่างมันเป็นกิริยาไม่ได้เป็นกรรมไม่มีเกตนาเมื่อใดไปคิดเกิยตนาที่จะไปว่าอะไรกับอะไรทําอะไรนันเป็นกิริยาแล้วเป็นชีวิตที่เป็นกิริยาไม่เป็นกรรมไม่ใช่ไปถโนถนอมนั่งอยู่ในห้องไหนครับเดินไปไหนย่องย่องย่องย่องหลับตาไม่ดูอะไรต้องดูตาเขาจะไปหลับ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 งานมีการทำใช่กายให้ทำความดีใช่ใจให้ทำความดีไม่ใช่ไปหามีงานมีการทำความดียิ่งพวกเราอยู่ด้วยกันก็ไม่โอกาสได้ทำความดีต่อกันเห็นหน้าเห็นตากันช่วยหลือคิดอะไรเป็นความดี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 ไปนั่งหลับตาหลับอย่ในห้องไหนหับอยู่ในปา่าในดงเดินไปเดินมานี่แหละพวกเรามาร่วมกันทําวัดเช่าทําวัดเช็นสร้าทําอาหารปรุงอาหารบิญธาบาสสร้างถ้วยร่างชามอมืยอมกันยอฟังกันคารุกกันทําระเบียบนะมันก็ไม่อยู่แล้วระเบียบ ระเบียบวินัยมันมีอยู่แล้วเราได้ได้อานิสงสมามีมาก่อนไม่ต้องมาสร้างสะดวกสบายโยมก็นั่งอยู่ที่นั่นคีก็นั่งอยู่ที่นั่นสำเนรีพิกษซนีพระสงฆ์นั่งอยู่ที่นี่พอเราก็กราบก็ไหว้กันเฮ้ย hey, มันเป็นระเบียบมาแล้วเป็นทุนมาแล้วทุนแห่งความดี มาแล้วจนมาถึงมานั่งอยู่ยนนี่มายกมือสร้างใจว่าโอ้มันมีทุนมาทุกชีวิตในศรัทธาในความเชื่อมาถือกระเป๋ามาจากนน่นกรุงเทพมาจากต่างประเทศก็มีนะมันมีทุนมาเท่งงานทท่งการมามันมีทุนมีศรัทธามา ไม่ได้ไปใส่โซ่ใส่ตวนอยู่ที่ไหนนี่คือของจริงเราจะไปกังวลเรื่องอะไรมาทำความดีไปกลัวอะไรรู้จึกตัวรู้จึกตัวเนี่ยเวลามันหลงก็สนุกแล้วจะได้เห็นอะไรต่างๆจะได้เห็นความหลงจะได้เห็นความสุขจะได้เห็นความทุกข์เห็นกาย เห็นเวทนาที่มันสุขมนทุกข์ <c oughs> ให้มันเห็นประเชิญหน้ากันจริงจมันผุดออกมาเห็นต่อหน้าต่อตาจะเอกันมันสุขขนาดไหนมันทุกข์ขนาดไหนแล้วมีสติไปไปเชิญหน้ า, ากับความสุขความทุกข์ของกาย มันใหญ่ขนาดไหนเทียบไหลมันรูอยวเพิงไปด่วนรับจะเพิงไปด่วนปฏิเสธอะไรที่มันโผล่หน้ามาอย่าไปกลัวอย่าไปกล้าอย่าไปชอบอย่าเพิงไปไม่ชอบอย่าเพิ่งด่วนไปสูกอย่าเพิงด่วนไปทุกข์เห็นให้เห็นก่อนรู้ก่อนให้สติได้สัมผัสดูก่อนใช่สติรู้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 เนี่ยเราก็มีพ่อแม่เราก็ไม่เกยน้องก็ไม่งานงานเราก็ไม่มาทําอย่างนี้มันจะไงเนี่ยมันยังไงเนี่ยมันก็หวั่นไหวเหมือนกันพอมาลูกสึกตัว เ, เราไม่ใช่มาเอาความคิดเรามาสร้างสติเรื่องคิดที่จะถึงลูกถึงเพียถึงครอบครัวนั่นเป็นเรื่องหนึ่งเรามานี่มาเจริญสติลูกสึกตัวเอมันก็เห็นความคิดมันก็ลูกสึกตัว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 เรามาเดินอยู่นี่รู้จึกตัวอยู่นี่ท้าเก้าอยู่นี่จัดสรรเข้าไปมาเดินคิดอยู่มันจะมีประโยชน์อะไรมันได้อะไรเพ้อฝันไรเฉยๆไม่จริมันจำเป็นจะต้องคิดมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องคิดเวลานี่ต้องจำเป็นการเดินปัจจุบันนี้เราเดินรู้จักตัวรู้จักตัวอ๋ก็ต้องสอนอย่างนี้ต้องสู้บ้าง องสัมผัสดูบ้างกนพลังต้องข้งามงื่นไว้บ้างไม่ใช่จะคล้อยตามทุกสิ่งทุกอย่างเพราะิงจะเป็นนักปฏิบัติต้องโต้ตอบทักท้วงดูตรวจสอบดูทางนี้นะมันก็เห็นเหมือ น, นกันนั่นแหละปฏิบัติถ้าเจริญสติ เห็นเหมือนกันไปทางเดียวกันพระพุทธเจ้าก็เดินไปทางนี่แหละพระทีก็กลัวตายเจ็บไข้ได้ปวดพระ เ, เจ้าก็อาจจะว่าเวกวับพวกเราพวกเราอยู่นี่มีรถโยนต้องสองคันรถขนตุ่มอย่างหนึ่งรถหลงคอคันหนึ่งะพระพุทธเจ้าไม่มีรถสักคันเลยจากกุฏิกยา อในเมืองพุทธคยาปัจจุบันเนี่ยกขาไมใ่ใกล้ๆนะไปกลัวจากที่ไปชฉยๆครอไม่มีรถสักคันเลยฮะพวกเราจะไปกลัวอะไรอันนี้ก็ไม่ใช่อยู่ลำพังชีวิตเดียวพวกเราก็ลาลาหลายๆคนไปวันไลไรไปคชื่ออะไรจะหอบอะไรมาพระลงพลังมหาปฏิบัติ มารู้สึกตัวเอาไว้ก่อนเอาื่นเอาไว้ก่อนเวลานี่มาสร้างสติก่อนหนึ่งวันเจ็ดวันสิบวันยี่สิบวันมาทำนี่ก่อนอแต่ต้องมีการวานอะไรเพื่มันแบ่งแบ่ ง, บงปันปันคิดๆทั้งเด็กๆเอามาให้เกิดความเพียรตรงนี้ให้เกิดสร้างสติตรงนี้อันนี้นะปฏิบัติมันจึงจะเป็นนักปฏิบัติเต็มตัวไม่ใช่เครื่องๆกลางๆ ไม่ใช่ทำแบบทดลองดูทดลองดูก่อนถ้าดีก็เอาถ้าไม่ดีก็ไม่เอาโอยอย่างนั้นมันไม่ใช่อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเห็นแล้วได้ทําเห็นไม่ดีก็จะเอาไม่ดีกลับไปโอ้ยไม่ดีไม่ดีได้กว่ามไม่ดีกลับไปโอ้ยไม่ชอบไม่ชอบกได้ควางไม่ชอบกลับไปแท้ๆมันหลอกตัวเอง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 บันดิตมองตนนักปฏิบัติทำมันจะเป็นบันดิตมองตนอะไรก็มองมาที่ตัวเราลู่สึกตัวการมองตนลู่สึกตัวลู่สึกตัวสร้างไม่มมก็สร้างให้มันเนจะไปใช่อะไรถ้าเรามไม่มีถ้าไม่มี์เราก็ต้องสร้างก่อนบางทีก็ถนอม แต่ฟังไปใช่มันชวนให้ใช่เหมือนกันนะโดนนอนโดเนี่พอทีก็เกิดลูน่นอนลู่นี่ไปกลายเป็นกิณฑาณแปได้กิณฑาณได้วิปัสโนไปคิดเก่งพูดเก่งคิดนี่ยโอ้เยี่ยมเลยก <c oughs> ็ได้ของปลอมต้องสัมผัสสัมผัส กับมือเราสัมผัสก <species> like ับใจเราสัมผัสกับกายเราได้ทาลงไปได้ทาแล้วทาแล้วได้เห็นได้ทาแล้วทาได้แล้วเห็นอะไรเห็นมันหลงเห็นมันหลงได้ทากับความหลงทําความหลงสุกไปแล้วเห็นทุก ได้ทํากับความทุกข์ความทุกข์จบไปแล้วเห็นความโกรธได้ทํากับความโกรธความโกรธจบไปแล้วเห็นความรักความชังเห็นความยินดีกินร้ายได้ทําแล้วอต่นี่สิมันเรงจะเป็นนักปฏิบัติสร้างความรู้ได้สร้างความรู้เวลามันหลงได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้นั่าจะสมบูรณ์แบบ สมุนแบบได้ปฏิบัติอย่างดีแล้วทำหน้าที่อย่างดีได้ทำอย่างดีแล้วให้มันเชื่อฝีมือตัวเองอย่างนี้ทำอะไรมันต้องมีฝีมือร่างถ้วยก็มีฝีมือให้มันสะอาดซักผ้าก็มีฝีมือขวดบ้านมีฝีมือถ้าใครมาถามโอ้ยทำแล้วอย่างสบายพูดอย่างสบายอ่า ไปไล่แขกมาไปล้างห้องน้ำํำถ้าเห็นแขกเข้าไปทีหลังเราสบายแล้วเราทําเรียบร้อยแล้วถ้าเรายังไม่ทําด้วยมือของเราอะไรล่ะมันก็จะต้องบกคลองการปฏิบัติทำเนี่ยได้เห็นกับตาได้ทํากับมือได้ทําแล้วและทําได้ด้วยตัวปฏิบัติทําได้ทุกอย่าง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 ทำดีก็าทำดีจริงๆทำช่วกว่าละจริงๆโองไม่มีอะไรที่จะาปเสดเท่ากับปฏิบัติธรรมหรอกเราเลือกได้แล้วมาเลือกกันเถอะพวกเรามาเลือกเอาชีวิตแบบนี้กันให้รู้สุกตัวรู้สุกตัวนะเดีวก็ไม่ใช่ให้มาอยู่ที่นี่หรอกกลับไปบ้าน ไม่กลับไปก็อยู่ที่นี่ด้วยกันไปเผยแผ่งานเยอะแยะเลยะนะคนที่ทางานเรื่องนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนไม่ใหคนไม่ต้องการก็หางานทาพวกเราต้องหางานทำต้องไปจัละะัธะพิชเกอไปไปไปไปช่วยกันเพื่อประโยชน์เพื่อคูณต่อมหาชนเพื่อความสุขของโลก <c oughs> มันนี่หลวงพ่อก็จะไปนอนไปจังหวัดชนบุรีแถวฉันฉันสงสินฉั น, นโนดสามลูกเขาก็ไปส่งเพื่อนเฉยๆเราก็จะกลับมากรุ่นนี่ก็กลับมาถ้าไม่ไปก็ไม่ดีไปสักหม่อยก็อยากไปใจมันยังอยากแม่เท่าแม่แก่มันก็อยากไปนะมันสาตวนะ์มันยังไม่ยอมแก่นะ มันก็ยังไปอยู่มันก็มันก็ทำได้อยู่นะไปแล้วก็ไปนั่งเทศได้สบายเลยไม่ใช่ไปนอนโสมเนาะถ้านอนโซมก็ไม่ไปหรอกอ่ะเราไปจะขอเอารถคนทุ่มไปไปวันนั่งสะดวกสบายมั่นใจปลอดภัยสูงรถรถขาวก็แก่เท่าแล้วไม่มั่นใจ่าถ้าไปที่เวลาจากัด เราไปเสียกลางทางก็เสียเวลาเพราะวันที่เก้าเลยต้องมาโรงพยาบาลชยภูมิไปทำบุญร่วมกับคณะแพทย์คณะหมอพยาบาลรวมกันพวกเราก็ไปทั้งหมดเก้าลูกไปไปโรงพยาบาลสุกโตหกโคเขาทองสาม มันก็ต้องพร้อมเหมือนกันนะพวกเรานะเวลานั่งก็นั่งเสมอกันดูเขา่าดูหัวเข่าให้เสมอกันแถวตรงหน้าอกตรงคอตรงอเวลานนปนมือก็ให้ได้อันเดียวกันให้ได้ฉาก45องศาให้ได้ฉากอ่ามือก็ได้ฉากไหลคอได้ฉากหัวเข่าได้ฉาก ก็นั่งข้างหลังก็พับพับขาเข้ามาข้างในเอาคนั่งปลายแถวทางโน่นก็พับขามาข้างในอย่าให้เขาเห็นฝ่าเท้าก็นั่งอยู่ข้างหัวแถวก็พับขาเข้ามาข้างในอเวลาให้พรเวลาสวดมนต์จบพอโทรศัพท์รีบเก็บได้สายศินให้ทันเวลาสัปสังคาโนภาเวนะ สทโสติปวันตุเตให้สายสินถึงพระประธานถึงหัวหน้าพระประธานได้วางสายสินลงพร้อมกันกับพวตุเตจไปเคลื่อนเส้นช้าอ่อนแองกงกเนื่องๆเลยบพิ่ับเับไวจะปันจะันจะพันไวปุ๊บ่าไม่เรอกทำให้ดูอยู่ให้เห็นในระเบียบ มี <c oughs> แบบฉบับการทำอะไรไม่คือไม่แปรในความพล่องในความเป็นระเบียบเรียบร้อยผมผ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ชาวนาเขาจะไปทำให้เขาดูไปจะอยู่ให้เขาเห็นไปจะพูดให้เขาฟัง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 แราเมื่เกิดความร้องก็เลยเปลี่ยนความร้องเป็นความรู้ื่อยไปแล้วมื่เกิดความทุกข์ก็เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ื่อยไปแต่มันง่วงก็เปลี่ยนความง่วงให้เปน็นการสดชื่นเรื่อยไปถา้ามันระเลยสงสัยก็เปลี่ยนความระเลยสงสัยให้กลับมาสร้างสติเรื่อยไปไปสงสัยอะไรเสียเวลา <c oughs> นี่นั่นเรามีเรามีงานมีการเรามีหน้าที่ปฏิบัติธรรมอะ ช่วยกันพวกเราช่วยกันสร้างเป็นสิ่งแวดล้อมให้กันเลยกันก็เอาละเนาะวันนี้ก็พูดกันเท่านี้ก่อนแล้วเราก็กราบพระพร้อมกันอะ <c oughs> ระหังสัมมาสัมพุทโตขะคะวะอุทังขะคะวันตัองววตอภิวาเท สวากาโตภะคะวะตัมโมทามังนัสสัมมิสุปฏิปันโนภะควโตสาวกชังโฆชังขังนัสสะ